เพราะเพราะเพราะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญเนี่ยนะเขาก็จะเจริญเนี่ยนะเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยนะเมื่อเจริญปัญญาทำกิจในอริยสัจก็เป็นพระเสกบุคคล ศีลอันนั้นจะแปลสภาพจากศีลของปุถุชนกลายเป็นศีลของพระเสขบุคคลเป็นศีลของพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นศีลของพระโสดาบันบุคคลนะศีลนะก็เจริญคุณธรรมอย่างอื่นประกอบอีกจนเป็นว่าได้ศีลชั้นสูงเป็นศีลของพระสกทาคามีบุคคลเจริญคุณธรรมชั้นสูงอื่นอีกต่อไปก็เป็นศีลของพระอนาคามีบุคคลจนถึงขั้นระดับอรหัตธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ยังเรียกว่าศีลของพระเสขะ ศีลของผู้ท si ี่ยังต้องศึกษายังต้องศึกษาในเรื่องศีลเนี่ยนะยังต้องศึกษาในเรื่องของอธิจิตและอธิปัญญายังต้องศึกษาคุณธรรมเหล่านี้ต่อไปอีกทีนี้ถามว่าแล้วศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจารณะเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะ15้าข้อแรกคือศีลเป็นศีลประเภทใดก็บอกว่าเป็นศีลประเภทอเศษขศศีลเป็นประเภทอเศษขศศีล เป็นศีลของพาาระอรหันต์เนี่ยนะเป็นศีลของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วอัเซขะเนี่ยแปลว่าสำเร็จการศึกษาหรือมีศึก้าอันเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วพระเซขบุคคลทั้งหลายตั้งแต่ระโสดาปฏิมักขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเซขะกำลังศึกษาอยู่อยู่ในระหว่างการศึกษาศิกขาสามส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายสาเร็จการศึกษา เป็นอาเสขาสาเร็จการศึกษาเพราะเป็นท่าอาหารไปแล้วส่วนปุตุชนทั้งหลายจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่ใช่บาลีเขาเรียกว่าเนวเสขานาเสขะก็คือปุตุชนทั้งหลายนั่นแหละปุตุชนนั้นจะว่าศึกษาก็ก็ไม่ใช่เพราะก็เจ้าอ่ะก็คือไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่เอาเป็นเอาตายไม่เอาพร้อมที่จะบรรลุเขาบอกว่าเอาแล้วพระเสขะพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยท่านสนใจในเรื่องศีลขนาดไหน บอกท่านสนใจในเรื่องศีลมากก็บอกว่าเคยเรียกว่าแม่โคลูกอ่อนแม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะถึงตัวจะเละเลมหญ้าอยู่ก็ตามแม้ว่ากำลังกินหญ้ากําลังเที่ยวหญ้าแต่ว่าแม่โคลูกอ่อนเนี่ยจะชำเลืองดูลูกเสมอนะถึงกินหญ้าไปเที้ยวหญ้าไปก็ระลึกถึงลูกอยู่เสมอเหมือนกับว่าเป็นคนที่พวงในเรื่องลูกอยู่ตลอดเวลา ชั้นใดพระเสขาทั้งหลายก็ชั้นนั้นท่านจะทํากิจอย่างอื่นก็จริงแต่ท่านชำระเลียงถึงศีกขาของท่านอยู่เสมออันนันคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนอาจจะฟังคํานี้อาจจะเข้าใจใช่ไหมก็คือทําอะไรก็ทําไปแต่ระลึกถึงระลึกถึงลูกของตัวอยู่เสมอคนที่เจริญคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วชั้นนั้นท่านจะทํากิจอย่างอื่นท่านก็คานึงถึงศีลอยู่เสมอเนี่ยนะเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าศีล คำหนึง่งระลึกถึงรำพึงถึงก็ชื่อว่าศีลชื่อว่าศกขาเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตก็ชื่อว่าศึกษาตลอดจนถึงเจริญคุณธรรมที่ควรจเจริญละคุณธรรมละอกุสุธรรมทั้งหลายที่ควรละพ้นเจตนาในการล่วงละเมิดกามีแอบปานาติบาตเจตนาในการล่วงละเมิดอธินนาทานการมีสุมิจฉาจารย์ สำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆก็ต่อเมื่อระดับโซดาปฏิมาคเกิดขึ้นประหารทาลายเรียกว่าพิษพิษไอเจตนาฆ่าเนี่ยเปรียบเหมือนกับพิษเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับสารพิษเปรียบเหมือนกับเชื้อโรคที่มันมันระบาดได้อะ่ะพิษตัวนี้เนี่ยจะถูกทำลายจริงๆด้วยอนุภาพระดับโซดาปฏิมาคเนี่ยนะมันเบื้องต้นคนที่จะสมาทานกุศลธรรม เพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องสมาทานอธิษฐานให้แน่วแน่พอที่จะรองรับได้นี่รองรับคุณธรรมคือศีลจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระมหสีแปลว่าผู้สแสวงหาพระสแสวงหาคุณใหญ่สแสวงหาศีละคุณอันยิ่งใหญ่นะแสวงหาตั้งแ่ไหนตั้งแต่เบื้องต้นใช่เบื้องต้นปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่าสร้างบารมีคือศีลลบารมีสแสวงหาศีลทางกายวาจาสแสวงหาทางศีลทั้งทางกายและวาจากว่าจะปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังสแสวงหาศีลอีกต่อไปแต่สแสวงหาเพื่อประโยชน์แก่แก่สัตว์ทั้งหลายก็อย่างวันก่อนที่เราเรียนในคำว่าจาริกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามที่ต่างๆบอกว่าจาริกไปทาไม จาริกด้วยเหตุหประการหนึ่งจาริกเพื่อให้สัตว์เว้นจากปาณาทิบาจาริกไปเพื่อให้สัตว์เว้นจากอาทินาทานจาริกไปเพื่อให้สัตว์เว้นจากกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตและเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยคือคำพูดของพระองค์เนี่ยที่ตรัสออกไปเนี่ยทำลายเจตนาให้เขาคิดฆ่าได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคําพูดน่าอัศจรรย์นะ น, น, นะ เขาฆ่าอยู่นะพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บเขาเลิกฆ่าเลยความคิดที่จะฆ่าไม่มีเขากําลังจะลักจากขโมยเนี่ยพอพระองค์แสดงธรรมปั๊บความคิดที่จะลักจากขโมยไม่มีเขาจะประพฤติล่วงการเมีเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมแล้วเขาเลิกความคิดอันนั้นได้เพราะอะไรเพราะเขามีคุณธรรมอย่างอื่นมาคุณธรรมอย่างอื่นที่เปรียบเหมือนยาเนี่ยนะเป็นยาที่ถอนพิษคือเจตนาเป็นเหตุให้ ล่วงละเมิดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้นคําสอนของพรงงอนะองค์จึงเป็นเช่นกับโอสถเนี่ยนะจึงเป็นเช่นกับโอสถเป็นคนที่มีศีลอยู่กับศีลเจริญกุศลศีลเรียกว่าการฝึกพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เน้นการฝึกกายฝึกกายเช่นว่าไปเป็นฝึกโยคะเนี่ยนะหรือไปฝึกแบบทหารแบบตำรวจไปฝึกแบบนักกีฬาทั้งหลายไม่ใช่แบบนั้นแต่ฝึกด้วยศีลศีลเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องฝึก เพนั้นคนที่มีศีลอย่างเช่นศีลของพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะแม้เขาบอกว่าให้คิดฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็ทําไม่ได้คิดอย่างไม่คิดหรือกระลักว่าเขามีเงื่อนไขบอกว่าถ้าคุณไม่ไม่ฆ่าไก่ฉันจะฆ่าคุณแต่ถ้าคุณฆ่าไก่จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเลือกเอาอันไหนก็บอกว่าไก่ก็ไม่สมควรตายตัวก็ไม่สมควรตายเพราะฉะนั้นจิตที่คิดจะฆ่าไก่ไม่มี อะไรจะเกิดก็เกิดไปเนี่ยนะเพราะเจตนาที่เป็นเหตุนําไปสู่การฆ่าไก่ไม่มีคือคิดแบบภาษาเนี่ยนะบอกว่าเอางี้หน่อถ้าพูดแบบเป็นภาษาเป็นรูปประธรรมเลยนะคุณกลืนลูกระเบิดซะแล้วก็จะระเบิดเมื่อระเบิดเสร็จฉันจะให้แกเป็นพระราชาใครจะเอามังา้งเอานะ คือคนที่เขารักษาศีลเนี่ยระดับสูงเนี่ยเขาเห็นว่าไอเจตนาฆ่าเนี่ยนะมันมีโทษมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าลูกระเบิดอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้ตัวต้องตายอีกกี่ภพกี่ชาติต้องตกนรกหมกไหมถูกเคี่ยนถูกตีถูกเก่ฑ์ถูกฆ่าชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยซึ่งเหตุมาจากเจตนาที่คิดฆ่าเพราะฉะนั้นไ อ, ไอการฆ่าของเขาเนี่ยเขาจึงไม่สามารถฆ่าเพื่อ เพื่อสิ่งใดทั้งนั้นก็เหมือนกับว่ามีเหตุผลอะไรม้างเราต้องกลืนลูกระเบิดเนี่ยนะมันไม่มีความจําเป็นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะกลืนเสร็จแล้วระเบิดเลยเนี่ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นาระยะบุคคลทั้งหลายจึงไม่ไม่คิดแม้กระ ท, ทั่งที่จะที่จะทุศีลทั้งหลายเพราะอะไรเพราะท่านเห็นโทษของการทุศีลและเห็นอานิสงส์ของเจตนาในการ รักษาศีลแล้วก็เจตนาเหล่านี้นำออกจากทุกก็ถือว่าเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเราเรียนในจริยาปิฎกครั้งที่แล้วมาบอกว่าท่านพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่าใดาหนอที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าก็คือจะทํากิจแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะพุทธะตัวนั้นหมายถึงว่าการทํากิจรู้อริยสัจทํากิจกําหนดรู้ทุกทํากิจละสมุ ท, ทยัยทํากิจทํานิโรธให้แจ้งทํากิจเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคุณเบื้องต้นที่จะทําให้ได้ทํากิจเหล่านั้นได้เนี่ยนะเบื้องต้นฐานรองรับการทํากิจเหล่านั้นคืออะไรก็คือศีลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นได้ตั้งแต่พระองค์เป็น พระโพธิสัตว์เมื่อพระองค์เป็นพระผู้เจ้าแล้วจึงเห็นคุณค่าของกุศลศีลไปที่ไหนพระองค์ก็ไปสอนเรื่องศีลพระภิกษุสาวกของพระองค์มาทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นของผู้ที่เข้ามาบวชพระองค์บอกเลยว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีล น, นะเป็นผู้มีปาติโมคสังวรคือว่าสำรวมในพระ ปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมาดว่าเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยสมมาทานศึกษาอยู่ในศิกษาบททั้งหลายเธออันนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วก็รายมาว่าอะไรก็ศีลของเธอแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งศีลของเธอจนพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนแผ่นดินเนี่ยนะในละศีลจึงกว้างใหญ่ไพาศาลจึงเช่นกับ ทีนี้คนที่ไม่รู้คุณค่าไม่รู้อา น, นิสง์ของศีลมองเห็นว่าศีลเป็นภาระที่ตัวเองจะต้องรักษาแต่ผู้ที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นเลยเนีนะพราะถ้าเห็นคุณค่าเนี่ยนะสิ่งใดที่เราเห็นคุณค่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นภาระสําหรับเราไหมอย่างเช่นอพ่อข้าทรัพร์เนี่ยนะคนที่มีทรัพที่ที่ตัวเองรักที่สุดทนุถนอมที่สุดหวงแหนที่สุดเช่นแบบอะไรนะเพชร แก้แหวนเงินทองนี่มันมีค่าที่สุดอะเหนือชีวิตเนี่ยการดูแลรักษาสิ่งนั้นเขารู้สึกว่าเป็นภาระไหมเขาบอกเขาไม่เขาบอกเขาดีใจที่เขาได้สิ่งนี้ที่ได้มีโอกาสมารักษาสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้จะช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวทุกประการฉันใดคนที่เขารักษาศีลทั้งหลายรักษากุศลเจตนาก็ฉันนั้นเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ดีมีคุณค่าช่วยให้เขาพ้นจากอบายทุคติวินิบาตนารกได้ ตอนแรกเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยนะตอนแรกเหมือนกับว่าต้องมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าต้องมีความมั่นใจในพระธรรมต้องมีความมั่นใจในพระสงฆ์ให้เต็มที่เรว่ามั่นคงในสารณะเนี่ยมั่นคงมากเลยเพอเอาเข้าระดับหนึ่งแล้วพระสัจธรระเราแนะนำอะไรแตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางก็คือคนบอกว่าเธอจะต้องทำยังไง ทีนี้ถามว่าเอาพฤติกรรมของเราเป็นประมาณหรือเอาผู้บอกเป็นประมาณนะสาวกที่ดีก็คือเอาคำของผู้ ผู้บอกเป็นประมาณเนี่ยนะก็เหมือนกับในโลกนี้เขาก็บอกว่าคนที่เคารพนายมากก็แล้วแต่นายอ่นายประสงค์ยังไงก็ว่าไปอย่างพวกเราก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าก็พระพุทธเจ้าบอกให้ทํำยังไงก็จะทําอย่างนั้นพระองค์บอกให้ละสิ่งนี้จงเจริญสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ก็มาคิดคิ ด, ค, ดคิดตามปฏิบัติตามตั้งใจที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านั้นตามทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าเอาแล้วพระธรรม่ะพระธรรมเนี่คืออะไร พูดถึงครั้งหนึ่งตอนที่ภาษาดิบุตรปรินิพานท่า น, นร้องให้บอ๊โอเสียอกเสียใจทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเลยเนี่ยนะโศกมากเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไงสารีบุตรพาสินนิพานไปด้วยหรือสารีบุตรภาสมาธิพาปัญญาพาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะแปลว่าสารีบุตรพา นะพาศีลคนอื่นปรินิพานไปหมดเลยใช่ไหมพาสมถะวิปัสนาของคนอื่นปรินิพานไปหมดใช่ไหมพามรรคพาผลพานิ้พานคนอื่นปรินิพานไปทั้งหมดไปเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่นั่นแหละก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉนศีลพระธรรมเนี่ยก็เลยบอกให้เราเนี่ยเจริญคุณธรรมเนี่ยนะทีนี้การเจริญคุณธรรมเนี่ยเป็นการเจริญคุณธรรมประเภทเพิ่มพูนประเภทสร้างตึก อันนั้สร้างตึกเป็นเท่าไรกี่ชั้นเนี่ยเป็นสูงเป็นร้อยชัน้นอันนัสร้างตึกจนเครียกว่าสูงกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเนี่ยนะเขาบอกมีอยู่คําหนึ่งเมื่อก่อนให้ฟังแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าใครที่คิดจะแทงตลอดอารยศาสตร์เนี่ยนะเปรียบเหมือนอย่างเท้าลงสู่อเวจีแล้วก็เอื้อมมือจับภวกระพรมเป็นคนที่คิดมีอะไรมีคือกรอบของความคิดของเขาเนี่ยนะตั้งแต่อเวจีเป็นเบื้องล่างแล้วก็พวกระพรมเป็น ที่สุดก็แปลว่ามีความคิดในเรื่องพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและก็สัตว์ตาวาดเก้าใครควรรอบรู้สิ่งเหล่านี้บางคนบอกแม้จะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันต้องเรียนขนาดนี้เลยหรือจะต้องเข้าใจขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าอยากคิดว่าพระอรหันต์โง่งเหมือนเราเลยเนี่ยนะอันนี้ยนี่เราต้องพยายามต้องคิดแบบนี้เอาไว้เสมอว่าถ้าถ้าคนที่เข้าบรรลุมรรคผลถ้าฉลาดเท่าเราเนี่ย ไม่รู้เราจะไปบรรลุมรรคผลทําอะไรเราก็อยู่เท่าเราตลอไปก็แล้วกันมันจะต้องคิดว่าผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลเขารู้อะไรถ้าถ้าอ่นานพระไตรปิฎกมาเยอะพวกกลุ่มอรหันตัญญาวิมุตท่านคิดเรื่องนี้หมดเลยเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านไม่รู้นะท่านรู้นนมีอยู่ในพระสูตรบางมีอยู่สูตรหนึ่งพระองก็บอกว่าพวกผ้าอรหันตัญญาวิมุตเนี่ยกำหนดรู้เหตุเกิดความดับอัสตาธาอาทีนวะนิสรณ ะ, ะของวิญญาณทิติก วิญญาณทิติก็คือที่เป็นที่ปฏิสนธิจิตเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณในภูมิทั้งหลายเขาเขารอบรู้ น, นะเพราะอย่าลืมว่าการเจริญปัญญาการเจริญหรือการปฏิบัติเพื่อนําออกจากทุกนั้นเป็นการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเจตนานี้เป็นเหตุใช่ไหมเจตนานี้เป็นเหตุใช่ไหมเจตนานี้เป็นเหตุ